เรื่องน้ำใจที่ไหลามาโหมแรงกว่าสึนามิโดยคุณแดงตอนหลวงตาคือต้นแบบการสงเคราะห์แดงพี่แดงป้าแดงหรือที่ทันสมัยใหม่ล่าสุดแดงพันธมิตรคือบุคคลคนเดียวกันเธอเป็นลูกศิษย์หลวงตาเคยเป็นพยาบาลมาก่อน แล้กเกษียญก่อนกำหนดจากงานพยาบาลมาทำพาร์ทไทม์ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเมื่อประกอบอาชีพอิสระแล้วแดงก็มีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นมีเวลาทุ่มเทตัวเองให้กับงานบุญและงานเพื่อชาติของหลวงตาทุกอย่างสุดตัวเธอเป็นคนยิ้มง่ายแต่ก็ขี้น้อยใจนิดๆเธอพร้อมเสมอที่จะปฏิบัติงานที่หลวงตาพาทำรับทำทุกงานโดยไม่เคยเกี่ยงงอนไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาใดๆบ่อยครั้ง ที่จะเห็นเธอหลับคางานงานที่หลงตาด้วยความพร้อมใจกันของเหล่าลูกศิษย์รณรงค์กันอย่างหนักและเผยแพร่อ อ, อกสู่สาธารณชนเพื่อแสดงจุดยืนที่ถูกต้องตามพระธรรมพระวินัยและตามกฎหมายบ้านเมืองคือการเรียกร้องความถูกต้องเป็นธรรมในการที่รัฐบาลอุกอาจแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติการตั้งแต่การเดินขบวนประท้วงการแจ้งความ การยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลเป็นต้นอีกงานหนึ่งที่ทำกันยาวนานเป็นปีๆนับตั้งแต่ปีพศ2541ถึง25 2547รวมเวลา6ปีเต็มที่หลวงตาท่านพาทมเพื่อความแข็งแกร่งของชาติไทยก็คือโครงการช่วยชาติที่มีจุดประสงค์เพื่อระดมทองคำและเงินดอลล่าสหรัฐรวมทั้งเงินไทยเข้าคลังหลวงเพื่อเป็นทุนสารองไว้ค้าจุนฐานะการคลังของประเทศ ซึ่งเงินของประเทศขณะนั้นร้อยหรอจนแทบจะหมดคลังเมื่อครั้งต่อสู้ค่าเงินบาทจนกลายเป็นวิกฤตทางการเงินที่ทั่วโลกรู้จักกันในชื่อวิกฤตต้มยำกุง้งเพระส่งผลกระทบไปทั่วโลกตามกระแสโลกาภิวัตน์ในงานที่กล่าวนี้รวมทั้งงานอื่นๆของหลวงตาแดงได้ทุ่มสุดตัวเพื่อความถูกต้องและเพื่อชาติตามพระธรรมคําสอนของหลวงตางานที่เหนื่อยสุดชีวิตอีกงานหนึ่ง ที่แดงต้องเข้าไปมีส่วนร่วมทำรรโดยไม่เคยคาดคิดก็คือการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยสึนามิที่ภูเก็ตและพังงาแหล่งพักผ่อนตากอากาศที่ลือชื่อของโลกซึ่งมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติมากมายมาประสบเคราะห์กรรมจากภัยธรรมชาติแดงใช้ความเป็นมืออาชีพทางด้านงานพยาบาลเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภยัยช่วยงานพิสูจน์ศพของคุณหมอพรทิพย์โรจนสุ น, นันและช่วยงานโรงทานในการแจกอาหารข้าวน้ํา ไปอย่างที่ต่างๆอย่างเต็มกำลังไม่เคยบน่นไม่เคยย่อท้อเพราะทุกคนทำงานในานามของหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนในปฏิบัติการครั้งนี้แดงต้องพกกับผู้คนที่ประสบความสูญเสียเนื่องจากภัยธรรมชาติจนเหลือแต่ตัวแม้แต่จิตวิญญาณก็แทบจะไม่อยู่กับร่างหมดหนทางช่วยเหลือตนเองต้องรอความเมตตาจากคนร่วมโลกด้วยกัน กับทั้งต้องผจนกับสิ่งลึกลับที่สัมผัสจับต้องด้วยกายเนื้อไม่ได้แต่แดงก็ไม่ได้ตระนกตกใจกลัวเพราะผ่านประสบการณ์แบบนี้มาโชคชนแล้วเธอก็เมตตาช่วยเหลือด้วยการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้อยู่เสมอเรื่องที่แดงจะเล่าสู่กันนี้ทุกเรื่องล้วนมีสาระประโยชน์และสะท้อนให้เห็นถึงความเมตตาไม่มีประมาณขององค์หลวงตาซึ่งท่านก็ทาอย่างเงียบๆโดยลูกศิษย์ที่ทราบข่าว ต่างก็ได้ระดมกันออกไปช่วยเท่าที่จะทําได้ด้วยความห่วงใยผู้ที่ประสบมาหันตภัยและต้องตกทุกข์ได้ยากอย่างแสนสาหาัสนี้สื่อมวลชนไทยไม่เคยให้ความสนใจกับเรื่องนี้แต่ความช่วยเหลือจากหลวงตาด้วยผ่านทั้งลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่เคยหยุดยัง้งแม้ต้องพบกับความยากลําบากในการให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตขาดแคลนนี้และผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีจิตใจเข้มแข็งที่จะอยู่ท่ามกลางซากศพที่สิ้นชีวิตโดยไม่รู้ตัวความช่วยเหลือถูกระดมไปทุกรูปแบบหนึ่งในความช่วยเหลือที่ประทับใจก็คือการแจกเหรียญรูปหลวงตาซึ่งร้อยด้วยเชือกผู้รับแจกเป็นคณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆก็นำไปเป็นเครื่องปกป้องคุ้มครองตัวและสร้างขวัญกาลังใจแม้แต่ฝรั่งนักท่องเที่ยวที่รอดภัยจากสึนามิแล้วมาร่วมบาเพ็ญประโยชน์ก็ยังมาค้อมหัวขอรับเรียนมงคลหลวงตาด้วย เรื่องราวของการปฏิบัติการนี้ผ่านมานานพอสมควรแล้วแต่ก็ไม่เคยได้รับการเปิดเผยเลยผมไม่ได้ไปร่วมทำงานกับแดงและเพื่อนๆสิทธิหลวงตาในวิกฤตการครั้งนี้ผมขอยกย่องและปรบมือให้เกียรติอย่างจริงใจแก่ทุกๆคนที่ร่วมทำงานนี้โดยที่ไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆเลยพร้อมทั้งขออนุโมทนามหาบุญในครั้งนี้ด้วยปฏิบัติการที่แดงและคณะร่วมกันทำอย่างสุดตัว ก็เพื่อให้โลกเห็นประจักษ์ถึงความเมตตาเอาใจใส่ที่พระชาไาวัย้96ปีมีให้กับทุกสรรพสัตว์ไม่มีเขตแดนกั้นขวางไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนใกล้ไกลเพียงใดก็ได้รับความเมตตาจากท่านเสมองานนี้เป็นงานมหาบุญมหากุศลมีอ น, นิสงส์ใหญ่ยิ่งต่อทั้งคณะผู้ปฏิบัติงานผู้รับความช่วยเหลือรวมทั้งผู้ประสบเคราะหกรรมถึงแก่ชีวิตแก่สรรพวิญ ญ, ญาณทั้งหลาย งานของพระอาหารหันต์ที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาจึงมีความหมายที่ยิ่งใหญ่นักต่อสรรพสัตว์ลงชื่อคุณหลวง